การสวดผานยักษ์เป็นคําที่บางคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินแต่สําหรับคนต่างจังหวัดก็จะคุ้นเคยกับการสวดผานยักษ์เป็นอย่างดีคําว่าผ่านยักษ์นั้นอ่านตามหลักว่าพาณยักษ์หรือพาณนนยักษ์คนส่วนใหญ่มักอ่านตามสะดวกปากว่าผ่านยักษ์ภานะนั้นแปลตามศัพท์ว่าคําอันเขากล่าว หรือคำกล่าวส่วนยักษ์นั้นพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2554ให้ความหมายว่าเป็นอมนุษย์จำพวกหนึ่งถือกันว่ามีรูปร่างใหญ่โตน่ากลัวมีเขี้ยวงอกใจดำอมหิชอบกินเนื้อมนุษย์กินตัดโดยมากมีฤทธิ์หอได้จำแรงตัวได้บางทีใช้ปากปนกับคาว่าอาสูร รากสดและมานก็มีนอกจากนี้ยักษ์ยังหมายรวมถึงเทวดาจำพวกหนึ่งในสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาและชั้นปรณิมิตวัสวัสดีดังนั้นเมื่อรวมความว่าภาณะกับยักษ์เข้าด้วยกันจึงมีความหมายว่าคํากล่าวของยักษ์ปัจจุบันในกรุงเทพก็มีหลายวัดจัดการสวดภาญยักษ์ขึ้น แล้วก็มีผู้เข้าร่วมพิธีมากขึ้นเรื่อยๆในอดีการสวดภานยักษ์มีอยู่สองแบบคือสวดภานวาฬนและสวดผานยักษ์หรือผ่านยักษ์ซึ่งการสวดทั้งสองอย่างนี้มีความแตกต่างกันคือการสวดภานวาฬนเป็นการสวดแบบมีทำนองครุละหูคือมีการเน้นเสียงหนักเบาใช้น้ำเสียงสวดที่ไพเราะไม่กระแทกกระทันดุดดันเหมือนการสวดผานยักษ์ การสวดผ่านยักษ์เป็นการสวดที่มีน้ำเสียงกระแทกกระทันดุดดันเครี้ยวกราดและน่ากลัวจึงได้เรียกว่าสวดแบบผ่านยักษ์นั่นเองใช้สวดประทับไล่ยักษ์หรือพูดผีปีศาจทั้งหลายการสวดผ่านยักษ์ได้เริ่มมีขึ้นในประเทศไทยเข้าใจว่าตั้งแต่ครั้งสมัยของพ่อขุนรามคำแหงเลยทีเดียวซึ่งน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากพระสงฆ์ทางลังกาสายเถรวาศ โดยเริ่มเข้ามาทางด้านจังหวัดนครศรีธรรมราชจนถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าเมื่อพระองค์ได้เสด็จเมืองนครศรีธรรมราชจึงได้นำมาจัดเป็นพิธีประจำปีสาหรับพระนครเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พระนครด้วยความที่เชื่อว่าบ้านเมืองหนึ่งๆก็จะมีทั้งผีที่ดีและผีที่ไม่ดีอาศัยอยู่ ผีที่ไม่ดีเราเรียกว่าพูดผีปีศาจ ส, ส่วนผีที่ดีก็มักเรียกว่าเทพเทวดาการที่บ้านเมืองมีเหตุเพศภัยต่างๆเกิดขึ้นนั้น mm. ก็เป็นเพราะเกิดจากพูดผีปีศาจขันแกล้งหรือบันดาลให้เป็นไปดังนั้นเมื่อสิ้นปีหนึ่งใบจึงได้ทาพิธีสวดพานยักษ์เพื่อเป็นการขับไล่พูดผีกันสักครั้งเพื่อความเป็นสวีตมงคลความร่มเย็นเป็นสุขของบ้านเมือง และแก่ใพร้ฟ้าค้าแผ่นดินทั้งปวงเมื่อกล่าวถึงความเป็นมาของพิธีสวดผานยักษการสวดผานยักก็คือการสวดอาตานาติยสูตรซึ่งมีอยู่ในคัมภีรทีฆนิกายปาติกะวะักท่านโบราณอาจารย์นำมาทำเป็นพระปริษเรียกว่าอาตานาติยประริษและรวมไว้เป็นบทส่วนในคัมภีร์จตุภานวานโดยมีเรื่องเล่าถึงประสูตรนี้ว่าครั้งหนึ่ง เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่บนเขาคิชกูดในนครราชครึกครั้กนกลางคืนมหาราชทั้งสี่ผู้เป็นท้าวโลกบาลได้วางอารักขาจัดหมู่เสน า, าราชตะเวนทั้งสี่ทิศด้วยเสนายักษ์เสนาคนทันเสนากุมพันและเสนานหน้าเป็นอันมากและมหาราชทั้งสี่และพวกยักษ์ผู้ใหญ่ก็พากันเข้าไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า แต่โดยที่เท้าเวสวร์หรือเท้าเวสุวรรณคุ้นเคยกับพระผู้มีพระภาคเจ้าและฉลาดในการสนทนาจึงเป็นผู้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญยังมีพวกยักษ์ชั้นผู้ใหญ่ชั้นกลางและชั้นต่ำที่ไม่เลื่อมใสพระผู้มีพระภาคเจ้าก็มีที่เลื่อมใสก็มี พวกยักษ์ที่ไม่เลื่อมใสนั้นส่วนมากเป็นเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงหลักธรรมเป็นข้อห้ามฆ่าสัตว์ห้ามลักทรัพย์ห้ามประพฤติผิดในกาลและห้ามดื่มสุราเมรัยเพราะฉะนั้นยักษ์พวกนั้นจึงไม่รักไม่ชอบในหลักธรรมเหล่านั้นและยังมีบรรดาสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่พำนักอยู่ในเสนาสนะสงัด ต, ตามดงลึกที่เงียบเสียงไม่มีผู้คนลี้ลับจากพวกมนุษย์ หมาแก่ผู้ทองการปลี่ตัวอยู่ในราวปาในสถานที่เช่นนั้นย่อมจะมียักษ์ที่ไม่เลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้าอาศัยอยู่ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดทรงรับการรักษาชื่ออาตานาธิยะไว้เพื่อให้เกิดความเลื่อมใสแก่ยักษ์เหล่านั้นด้วยและเพื่อคุ้มครองรักษาเพื่อไม่ถูกเบียดเบียนและเพื่อให้อยู่สุขสบายของเหล่าภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายเถิด พระองค์ทรงรับด้วยอาการดุษฎีท้าวเวสว ร, ร์มหาราชจึงกล่าวคำคุ้มครองรักษาชื่ออาตานาติยะถวายซึ่งขึ้นต้นด้วยคำนมัสการพระสัมมาสัพทธเจ้าเจ็ดพระองค์ทั้งที่ปรินิพานไปแล้วรวมถึงพระองค์ปัจจุบันด้วยคาถาที่ท้าวเวสว ร, ร์กล่าวนี้เป็นเนื้อความเล่าถึงมหาราชทั้งสี่องค์ผู้เป็นท้าวโลกบาลคุ้มครองรักษาอยู่ประจำทิศนั้นๆ คือท้าวทัตารัตถะเป็นอธิบดีของพวกคนทันและเป็นมหาราชประจำทิศบุรพาท้าววิรุณหกเป็นอธิบดีของพวกกุมพันและมหาราชประจำทิศทักษิณท้าววิรูปะเป็นอธิบดีของพวกหน้าและมหาราชประจำทิศปจิมและกล่าวพิสดารถึงนครของท้าวเวสวร์เองผู้มีอีกนามหนึ่งว่าท้าวกูเวน ผู้เป็นอธิบดีของพวกยักษ์และมหาราชประจำทิศอุดรเมื่อกล่าวคาถาแล้วเท้าเวสว ร, ร์หรือเท้าเวสุวรรณก็กล่าวย้ำต่อเบื้องพระพักของพระผู้มีพระภาคเจ้าอีกว่าเมื่อพระพิสุณีหรืออุบาศกอุบาสิกาผู้ที่รับเอาอาตานาติยปริษนี้ไว้ดีแล้วเล่าเรียนท่องถูกทุวนแล้วถ้ามีอมนุษย์กล่าวคือยักษ์คนทัน ขุมพันธุ์หรือนาคผู้มีจิตประทุษร้ายเดินตามยืนนั่งหรือนอนใกล้พระพิสุภิษุณีหรืออุบาสกอุบาสิกาที่กําลังเดินอยู่ยืนอยู่หรือนอนอยู่อามนุษย์ตนนั้นจะไม่ได้รับการศัรกระหรือเคารพในคามหรือในนิคมทั้งหลายจะถูกห้ามเข้าในราชธานีที่ชื่อว่าอารักบมุนทาของท้าวเวสวรรณ ห้ามเข้าที่ประชุมของพวกยักษ์พวกอมนุษย์ด้วยกันจะไม่แต่งงานด้วยทั้งจะถูกพวกอมนุษย์ด้วยกันบริพาทจะถูกพวกอมนุษย์ด้วยกันเอาบาดครอบหัวจะถูกผ่าศรีรษะเป็นเจ็ดเสียงจะถูกกล่าวโทษว่าไม่เชื่อฟังมหาราชทั้งสี่ไม่เชื่อฟังเสนาบดีและอำมาตผู้ใหญ่ของมหาราชในที่สุดก็จะถูกกล่าวหาว่าเป็นขบฏต่อมหาราชทั้งสี่ และถ้ายัางมีอมนุษย์ตนใดผู้มีจิต ป, ประทุษร้ายเดินตามยืนนั่งหรือนอนใกล้พระภิษุภิษุณีหรืออุบาสกอุบาสิกาที่กําลังเดินอยู่ยืนอยู่หรือนอนอยู่อีกพึ่งกล่าวบอกต่ยักแก่ยักษ์ผู้ใหญ่แก่ยักษ์ไสนาบดีแก่ยักษ์มหาเสนาบดีว่าอมนุษย์ตนนี้จับต้องสิงสู่เบียดเบียนประทุษร้าย ไม่ยอมปล่อยท้าวเวสสันนิยมกล่าวต่อพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้อีกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เนรทุกข์นี่แหละคือมนเครื่องรักษาชื่ออาตานาติยะเพื่อคุ้มครองเพื่อรักษาเพื่อไม่เบียดเบียนเพื่ออยู่สําราญของพิสุพิษุณีอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายเมื่อกล่าวจบแล้วท้าวมหาราชทั้งสี่พร้อมด้วยบริวารก็หายไปครั้นรุ่งเช้า พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสเรียกพิสุกทั้งหลายมาประชุมและตรัสเล่าถึงมหาราชทั้งสี่และคณะที่มาเข้าเฝ้าและตรัสถ่อยคำที่ท้าเวสวรันกล่าวทูลตลอดจนตรัสถึงอาตานาติยารักษาที่ท้าเวสวันร์กล่าวในเฉพาะพระพักแล้วตรัสแนะนำพิสุกทั้งหลายว่าพิสุกทั้งหลายพวกเธอจงเรียนมนต์เครื่องรักษาชื่ออาตานาติยะ มนเครื่องรักษาชื่ออาตานาติยาณนี้ประกอบด้วยประโยชน์เพื่อคุ้มครองเพื่อรักษาเพื่อไม่เบียดเบียนเพื่ออยู่สําราญของพิสุพิสุณีอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายดังนั้นความเชื่อของชาวพุทธเมื่อเกิดเหตุการณ์ร้ายเรื่องไม่ดีในบ้านเมืองก็จะนิมนต์ให้พระสงฆ์มาสวดผ่านยักษ์ตังเช่นในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ได้เกิดโรคหา ยุคนั้นก็มีการสวดผ่านยักษ์กันมากมายการสวดผ่านยักษ์นั้นถือว่าเป็นสิ่งที่จะช่วยขจัดบัดเาะปะมงคนออกไปจากร่างกายทำนองเดียวกับการทำบุญบ้านเมื่อเกิดเรื่องร้ายแต่ต่างกันที่การสวดผ่านยักษ์เป็นการชักชวนคนจานวนมากมาร่วมทำพิธีในคราวเดียวกันโดยเมื่อเริ่มทำพิธีจะมีพระสงฆ์ที่ยกย่องกันว่าเชี่ยวชาญเชิงอาคมและขมังเวจานวนสี่รูป นั่งอยู่บนอาสนะประจำทิศทั้งสี่โซนอีก4ีรูปรวมกันอยู่หน้าปรังพิธีท่องบทสวดและผสมเสียงใส่กันน้ำเสียงมีความดุดันกระแทกเกลี้ยกล่ดแลนน่ากลัวหายเสียงยักคำรามโดยผู้เข้าร่วมพิธีจะใช้สายสียโยงจากปรังพิธีติดผ้ายันทันรอบศีรษะบางรายเกิดอาการของขึ้นไายรำกรีดร้องเสียงดังนั่งร้องไห้ หรือกำรามออกมาเป็นเสือบางรายก็นั่งเกาศีรษะลักษณะคล้ายหนุมานโดยไม่รู้สึกตัวและบังคับตัวเองไว้ไม่ได้จนพระเกจิที่เข้าร่วมพิธีต้องปรบพรมน้ำมนต์ให้อยู่ในอาการสงบหลายคนเชื่อว่าหากได้เข้าพิธีแล้วก็จะช่วยกระจัดปัดเป่าสิ่งอับประมงคลต่างๆที่อยู่ในร่างกายล้างอาถรรพ์สลายสิ่งที่ไม่ดีงามไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรคภัยไข้เจ็บโดนกุญสย ต้องสเสน่มนดำก็จะมาลายหายไปและยังเป็นการเสริมบรารมีด้วย